มงคลชีวิตมงคลที่23สิบาความถ่อมตนนิวาโตจะเอตามังคลมุตตมังความถ่อมตนหมายถึง ความเป็นผู้มีใจลดตำ่ำมีความประพฤติไม่ลำพองทำที่ทำให้ลำพอง 1. โกธะความโกรธความเดือดดาล 2. อุปนาหะความผูกโกรธไม่ยอมอภัยง่าย 3. มักะ ความลบหลู่คุณความดีของผู้อื่น 4. ปลาสะความตีเสมอถือว่าเป็นคู่แข่ง 5. ธรรมภะหัวดือ้อกระด้างจิตพยองไม่เกรงใคร 6. อติมานะความถือตัวว่าดีกว่าจึงดูมินเขาว ธรรมที่ทําให้ถ่อมตน 1. นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบุคคลคําสอนและสถานที่ 2. อโทศะความไม่ดุร้ายไม่โกรธเยือกเย็น 3. มมุทิตาความบันเทิงใจยินดีที่ผู้อื่นมีความสุข 4. มุทุตาความอ่อนโยนของจิตระงับความกระด้าง 5. เมตตาความปรารถนาดีการน้อมประโยชน์แก่ผู้อื่น 6. สติความระลึกได้ไม่เลื่อนลอยไม่หลงลืมตน 7. ปัญญาความรอบรู้เข้าใจเหตุผลดีชั่ว รู้คิดรู้วินิจฉัยรู้จัดการความถ่อมตนจัดเป็นมงคลเพราะ 1. กำจัดความถือตนอวดดี 2. กำจัดความแข็งกระด้าง 3. ทำให้กายและจิตสงบราบ 4. เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ห้าความเป็นอยู่ผาสุขไร้สศัตรูหกจิตตั้งมั่นง่ายเพราะมีความอ่อนโยนอยู่เสมอ